จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรม ท, ท, ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราชส5 5 2ตรงกับวันขึ้น8ปดค่ำเดือนส2องเป็นวันพระเป็นวันธรรมัสวาณเป็นวันฟังธรรม เป็นวันรักษาความเป็นมนุษย์ของพวกเราให้คงไว้และให้พัฒนาขึ้นไปเป็นเทเเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปด้วยการมาบำเพ็ญมาประพฤติมาปฏิบัติมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้มีผู้รู้จริงเห็นจริงในเรื่องของ เรื่องของจิตใจไม่ว่าจะเกี่ยวกับสุขคติหรือทุกขติที่จิตใจไปเกี่ยวข้อง้ไปไปเกี่ยวข้องด้วยพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงรู้เหตุที่จะนำไปสู่สุขคติและทรงรู้เหตุที่จะนำไปสู่ทุขติไปสู่อบายนั่นก็คือศีลเป็นเป็นพื้นฐาน หรือเป็นกำแพงกั้นระหว่างสุขคติกับทุกขคติผู้ผู้มีศีนย่อมไปสู่สุขคติผู้ไม่มีศีนย่อมไปสู่ทุกขคติคือไปสู่อบายการที่เรามีร่างกายเป็นมนุษย์นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นมนุษย์ต่อไปเสมอเพราะความเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เป็นเพราะเราเคยรักษาศีลไว้ในอนดีตจึงทำให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้รักษาศีลไว้ก่อนที่เราจะกลับมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องไปเกิดในอบายก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายเมื่อใช้กรรมหมดแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่เป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบเป็นมนุษย์ที่ไม่มีสง่าราศีไม่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ผ่อมใสหรือสวยงามไม่มีสติปัญญาไม่มีอาการครบท่วนส2สองไม่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะยังมี <c oughs> ยังมีเศษของกรรม ที่ยังติดค้างอยู่ในจิตในใจภามาเกิดนั่นเองส่วนผู้ที่รักษาสินได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีหรือไม่เช่นนั้นถ้าทำฐานด้วยนั่งสมาธิด้วยก็จะไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้ถ้าเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวาง สิ่งต่างๆไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะได้ไปเปิดเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพวกนี้เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็จะกลับมาอย่างสง่าราศีมีมีสง่าราศีคือมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีวาสนามีบุญบา ร, รมีมีเงินทอง มีเงินทองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาฉลาดแหลมคม น, นี่คือคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะกลับเป็นมนุษย์เราก็ต้องรักษาศีลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ยิ่งรักษาได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วก็มีมากยิ่งขึ้นไปนะหรือถ้าไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้ไปเป็นเทพก่อนถ้าทำบุญให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยก็จะได้ไปเป็นเทพนะหรือถ้านั่งสมาธิ ด, ด้วยก็จะได้เป็นพรหมแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะดีกว่าพวกที่ไม่รักษาศีลไม่ทาบุญให้ทาน เอาแต่อบายมุก <c oughs> เช่นสเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคร้านเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้ไปทำบาปทำกรรมและเมื่อทำบาปทำกรรมแล้วก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในทุกขติในอบายขึ้นอยู่กับ บุญกรรมที่ทํานั้นทําด้วยเหตุผลกลไกใดถ้าทำเพราะไม่รู้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมเช่นคนทำหมากินที่ใช้มีอาชีพในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลียเ้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็เอาไก่เอาปลาไปขายพวกนี้ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทําด้วยความโลภออมีพอมีพอกินแล้วแต่ยังอดที่จะทําบาปไม่ได้ อยากที่จะมีเงินมากขึ้นไม่ได้ก็ไปหาชีพที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเพิ่มอย่างนี้ถ้าทำไปแล้วก็จะกลายเป็นเปรตไปถ้าทาถ้าฆ่าผู้อื่นด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพียาบาทก็จะไปตกนรกนี่คือเรื่องของจิตใจเรื่องของบุญเรื่องของกรรม เป็นอย่างนี้เพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เห็นอย่างชัดเจนเพราะทรงมีญาณย่างเห็นถึงจิตของสัตว์โลกทั้งหลายเห็นถึงการกระทําของสัตว์โลกในอดีตที่ผ่านมาและเห็นผลที่สัตว์โลกทั้งหลายได้รับกันจึงทรงมีความเมตตาห่วงใหญ่สงสารสัตว์โลกเพราะทําไปด้วยความมืดบอด ทำไปด้วยความไม่รู้อย่างพวกเรานี้ก็ไม่รู้ว่าพวกเราตายไปแล้วจะไปไหนกันเราไม่รู้เรื่องซ้ำไปว่าจะไปไหนหรือเปล่าบางท่านอาจจะคิดว่าตายแล้วสูงเพราะเมื่อไม่มีร่างกายแล้วทุกอย่างก็จบแต่เราไม่รู้ว่าเรายังมีใจอีกส่วนหนึ่งใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ต้องไปตามบุนตามการรมอีกต่อไป ถ้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาจะเห็นใจดวงนี้อย่างชัดเจนดังนั้นถ้าเราอยากจะพิสูจน์ความจริงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นดังที่ทรงตรัสสอนหรือไม่มก็ขอให้เราปฏิบัติตามเพราะการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริง ไปสู่การตัดสรลุที่พระพุทธเจ้าตัดสรุก็รู้เรื่องกายรู้เรื่องใจนี่รู้ว่ากายนี้ตายไปแล้วก็กลับไปเป็นดินน้ำลมไฟเพียงเท่านี้พวกเรายังไม่รู้กันเลยพวกเรายังคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งสกปษเป็นปฏิกูล มีแต่ขับออกของสิ่งกระปบสิ่งสพกรปกปออกมาตลอดเวลาตามทวารต่างๆเราก็ไม่เห็นกันหลงไหลคลั่งไคล่กับร่างกายอันนี้อยากจะได้อยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะมีเป็นสมบัติไว้ครอบครองแต่ไม่รู้ว่ากําลังเอากองขยะมาเป็นสมบัติเพราะไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าร่างกายที่เห็นว่าสวยว่างานนี้ ความจริงมันไม่สวยไม่งามเพราะมองไม่เพราะไม่ได้มองเข้าไปใต้ผิวหนังนั่นเองไม่ได้เห็นอาการเห็นอวัยวะต่างๆที่ถูกคุ้มห่อด้วยผิวหนังถ้าผ่าหนังผ่าร่างกายออกมาก็จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามต่างๆอยู่ในร่างกายอวัยวะต่างๆมีปอดมีไตมีปักมีตับ มีไส้น้อยไส้ใหญ่เป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเลยอยู่ในร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาราภาพยนตร์หรือนา ง, งามจักรวาลหรือใครก็ตามมีแต่สิ่งที่ไม่สวยไม่งามซ่อนเล่นอยู่แต่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติกันเราจึงถูก ความหลงของเราหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสวยว่างามทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่สวยไม่งามเห็นว่าสะอาดทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่สะอาดสกปรกเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนทั้งๆ ท, ท, ที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการแก่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีการตายอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นกันเมื่อไม่เห็นก็เลยหลง เมื่อหลงแล้วก็ทุกเพราะไปยุ่งกับเรื่องที่ทำให้เราทุกข์นั่นเองเพราะมันไม่เป็นไปดังที่เราต้องการเราชอบอะไรเราก็อยากจะให้สิ่งที่เราชอบอยู่กับเราเป็นนานๆหรือดีไปนานๆแต่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาเสื่อมไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปหรือตายไปของต่างๆที่เราได้มาใหม่ๆนี้ จะดีเสมอแต่เมื่อใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเก่าลงเก่าลงแล้วมันก็จะเริ่มชำรุดทุดโทรมแล้วก็จะเสียพอเสียแล้วเราก็ทำให้เราปวดหัวทำให้เราวุ่นวายต้องมาแก้ปัญหาเพราะเราไม่เคยศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังเวลาฟังเทศน์ังธรรมก็ฟังแบบทัพพีในหม้อแกง คือฟังไม่ไม่ไม่ได้ฟังด้วยความสนใจไม่ได้ฟังด้วยความตั้งใจฟังไปแต่ใจก็คิดเรื่องราวต่างๆไปสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็เลยไม่เก็บไว้ไม่เข้าไปสู่ในใจจึงทําให้ไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องราวต่างๆที่กําลังได้ยินได้ฟังอยู่เพราะมัวแต่ไปคิดเรื่องงา น, นเรื่องนี้แทน mm. ก็เป็นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกง ทับทีอยู่ในหม่อแกงนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่รู้ว่าเป็นแกงชนิดใดไม่เหมือนกับลิ้นลิ้นที่สัมผัสกับรสของแกงนี้จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดใดฉันใดถ้าอยากจะฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดก็ต้องฟังด้วยสติใจต้องจดจ่ออยู่กับการฟังไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราบต่างๆ ถ้าฟังถ้าฟังด้วยใจที่จดจ่อมีสติสงบกายสงบวาจาสงบใจก็จะได้อนิสงส์หลายประการด้วยกันจากการฟังคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปดียิ่งขึ้นไปสจะขจัดความสงสัยได้ สจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิและ5้าจะทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานสงบมีความสุข <c oughs> นี่คืออา น, นิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมด้วยใจที่จดจอ่อด้วยใจที่มีสติเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีอันงา น, นี้ปล่อยอา น, นิสงส์อันดีอันงาม น, นี้ หลุดไปจากใจของเราด้วยการไม่สนใจฟังอย่างจริงจังฟังด้วยความตั้งใจแล้วจะได้รับประโยชน์มากแล้วจะพาให้เราได้นำเอาไปต่อยอดอีกทีหนึง่ง mm. เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเรารู้ว่าดียอย่างไร mm. เราก็นำเอาไปปฏิบัติ mm. เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะยิ่งได้รับผลดีขึ้นไปเรื่อยๆคือกิเลสตัณหาก็จะค่อยหมดไป ความทุกข์ก็จะค่อยๆหมดไปตามลำดับความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปได้เรื่อยความเจริญก็จะมีเพิ่มพินมมากไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไปถึงมรรคผลนิพพานไปถึงอริยมรรคถึงอริยผลไปถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างสิ้นเชิงเกิดขึ้นจากการเลิก ที่การฟังเทศฟังธรรมด้วยใจที่จดจ่อและมีสติแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติอย่างวันนี้ก็สอนเรื่องของร่างกายว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาเราต้องสอนใจให้รู้ทันความจริงนี้เพื่อจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ไปตามธรรมชาติ ปล่อยให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยตายตามธรรมชาติปล่อยให้เขาตายไปตามธรรมชาติเพราะเราฝืนธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่กว่าเรามากเราไปหยุดธรรมชาติไม่ได้เราไปหยุดฝนไม่ได้หยุดแดดไม่ได้หยุดลมไม่ได้เราไปหยุดดินน้ำลมไฟไม่ให้เขาแยกตัวออกจากร่างกายไปไม่ได้ดินน้ำลมไฟที่อยู่ในร่างกายเหล่านี้เขาจะ พยายามแยกตัวอยู่เสมอเมื่อกำลังของเขามีมากกว่าของเราที่จะยังเขาเอาไว้ได้เขาก็จะแยกตัวออกไปเมื่อถึงเวลานั้นความตายก็จะมาถึงและมาถึงทุกๆคนด้วยเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองแต่ไม่มีใครหนีความตายไปไม่ได้เพราะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็จะแยกตัวออกจากกันตามลำดับต่อไปเราสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะได้ปล่อยวางเราจะได้เกิดความกล้าหาญไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายแล้วถ้าเราศึกษาดูว่าร่างกายนี้เป็นปฏิกูล ร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของคนที่เราหลงรักหลงชอบหลงยินดีเราก็จะไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาถ้าเป็นโสดก็จะไม่มีสามีไม่มีภรรยาถ้ามีคู่แล้วก็จะเบื่อหน่ายกับการร่วมเพศก็จะแยกนอนกันคนละห้อง หรือในที่สุดก็จะอยากขาดจากกันไปหรือถ้าอยู่ก็อยู่กันแบบเป็นเพื่อนเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ต้องการความสุขจากการร่วมหลับนอนด้วยกันเพราะรู้ว่ากาลังนอนกับผีดิบดีๆนี้เองร่างกายนี้เป็นผีดิบไม่ใช่อะไรเวลาตายไปเพียงคืนเดียวมีใครอยากจะนอนด้วยไหมสามีหรือภรรยาเวลาตายจากกันแล้ว ยากล้านอนด้วยกันรอเปะแต่ทำไมเวลามีลมหายใจยังกล้านอนอยู่ด้วยกันมันก็เป็นร่างกายอันเดียวกันแต่ใจไม่มองอย่างนั้นไม่มองว่าเป็นผีในขณะที่มีลมหายใจอยู่ไปมองว่าเป็นผีตอนที่ไม่มีลมหายใจแล้วเท่านั้นเองแต่อาการ32ก็ยังมีเท่าเดิมเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่าไม่สามารถขยับขยืขย่นทาอะไรได้เท่านั้นเอง นี่เป็นเพราะความหลงมันสอนใจให้เป็นอย่างนี้สิ่งเดียวกันนี้เพียงเวลาข้ามคืนข้ามวันไปเพียงวันเดียวก็พลิกหน้ามือเป็นลังมือจากรักจากชอบกลายเป็นเกลียดเป็นกลัวไปได้เพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญานั่นเองเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิเพราะไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่นําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเจริญต่อ อย่างวันนี้ถ้าญาติโยมเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับร่างกายนี้ไปเจริญอยู่เรื่อยๆไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆรับรองได้ว่าต่อไปจะไม่มีอะไรกับร่างกายจะไม่รักไม่ชังกับร่างกายจะไม่รักไม่เกลียรร่างกายจะไม่กลัวกับความเป็นไปต่างๆของร่างกายเพราะรู้อยู่ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ มันเป็นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่คืออา น, นิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติต่อเวลาฟังก็ได้ประโยชน์ขั้นหนึ่งแต่ยังไม่พอเพียงยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างราบคาบต้องนาเอาไปปฏิบัติต้องพิจารณาต้องเจริญสติ ต้องเจริญสมาธิต้องเจริญปัญญาเมื่อมีสามส่วนนี้แล้วจิตก็จะมีเครื่องมือมีอาวุธที่เลิศที่วิเศษ ท, ที่จะเอาไปทำลายกิเลสตัณหาเอาไปทาลายโมหะอาวิชชาความหลงความไม่รู้จริงให้หมดไปจากจิตจากใจเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตจากใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมา สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนโจรผู้ร้ายในบ้านเมืองของเรานี่แหละถ้าเราจับมันมาฆ่าให้หมดแล้วก็จะไม่มีโจรผู้ร้ายหลงเหลืออยู่ในบ้านในเมืองก็จะไม่มีภัยอันตรายจะไปไหนมาไหนก็จะไปได้อย่างปลอดภัยบ้านช่องก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีโจรผู้ร้ายเข้ามาป้นมาที่มารักมาขโมยปลอดภัย ใจของเราก็มีโจรผู้ร้ายอยู่ในใจเหมือนกันโจรผู้ร้ายของใจก็คือกิเลสตัณหาต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆความอยากต่างๆถ้าเรายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของเราเราก็จะต้องมีแต่ความมีแต่ภัยอันตรายคอยคุกคามจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาใจของพวกเราจึงต่างจากใจของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ ทั้งหลายพอใจของพ่ระพุทธเจ้านี้ไม่มีภัยคุกคามเหลือหลงเหลืออยู่เลยใจของพระอรหันต์ไม่มีภัยคุกคามหลงเหลืออยู่เลยไม่เหมือนใจของพวกเราที่ยังมีภัยต่างๆคุกคามอยู่สร้างความทุกข์ความกังวลใจสร้างความหวาดกลั ว, ส ร, ว ส, ร ส, ส, สร้างความเศร้าโศกเสียใจสร้างความเดือดหน่ายสร้างความวุ่นวายใจต่างๆ ไม่รู้จากจบจากสิ้นเราไม่รู้เลอว่ามันอยู่ในใจของเราและเราไม่รู้เลอว่าเราสามารถกำจัดมันได้จัดการให้มันหมดไปกำจัดมันให้หมดไปจากใจของเราได้ถ้าเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันในวันนี้ท่านกำลังกาจัด ภัยต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านให้หมดไปตามลํำดับเพียงแต่ว่ายังทำไม่มากพอควรจะทำให้มากยิ่งขึ้นไปจ น, จนทําอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นแล้วรับรองได้ว่าจะสามารถกําจัดภัยทั้งหลายให้หมดไปจา ก, จ, ากจิตจากใจได้อย่างแน่นอนเพราะนี่คือเหตุ ที่จะทําให้ภัยทั้งหลายหมดไปนั่นเองไม่ได้หมดไปจากความปรารถนาไม่ได้หมดไปจากความมีศรัท ธ, ธาในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หมดไปจากการตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ไปถึงพระนิพพานการตั้งจิตอธิษฐานนี้เป็นเพียงเ ป, เป็นการตั้งเข็มทิศเท่านั้นเองเป็นการบอกตัวเราว่าเราต้องกะเราจะไปไหนกันแต่เมื่อ เมื่อรู้แล้วว่าจะไปไหนถ้าไม่ไปขึ้นรถไม่ออกเดินทางยังนั่งอยู่กับบ้านอยู่ก็จะไปไม่ถึงไหนถ้าอยากจะหมดทุกข์อยากจะได้พระนิพพานก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาและได้ทรงนำมามาสั่งสอนพวกเราทานพระพุทธเจ้าก็ทรงสละหมดสมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่มากน้อยเพียงไร ก็สละไปหมดสละราชจสมบัติแล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขานี่คือเรื่องของถานสิน้นพระองค์ก็ทรงรักษาอย่างเข่งคัดไม่ว่าจะเป็นสิ้นห้สิ้นแปสิน 8, สิน 10, หรือสิน 7, ส้นสองรีิบสนกว่าพราะองค์ก็รักษาอย่างเข่งคัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมถภาวนาทำจิตใจให้สงบ วิปัสสนาจเจริญปัญญาจเจริญพิจารณาตายรักอยู่เสมอพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราถ้าไปยึดไปติดก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปก็จะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างไรเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของชาวบ้านอย่าไปยุ่งชาวบ้านเขาจะทำอะไรเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปล้วใจของเราจะไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเรื่องเรื่องของสิ่งอื่นเช่นไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆก็จะสร้างความทุกข์สร้างความกลัวขึ้นมาอยากให้ร่างกายไม่ตายก็จะสร้างความความกลัวความทุกข์ขึ้นมาอยากจะไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องตัดความอยากเหล่านี้ออกไปให้หมดจากจิตจากใจให้ได้ด้วยการเจริญใจรักอยู่เรื่อยๆพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ แล้วเราก็จะมีมีปัญญาที่จะสามารถถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากความหลงความมืดบอดได้เมื่อถอดถอนได้แล้วใจก็จะสบายไม่กังวลกับความเป็นไปของร่างกายอีกต่อไปจะอ ย, ะะอยู่จะตายก็ได้จ ะ, จะสุขจะทุกข์ก็ได้ จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ไม่เป็นปนหาอย่างไรเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนั้นเองนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามันศึกษามันปฏิบัติมันพิจารณาอยู่เรื่อยเราก็จะได้สิ่งที่ดีที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้เป็นสมได้ไว้เป็นสมบัติ เราก็จะได้เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนี้มีอยู่สองหน้าที่หรือสองธุระธุระหนึ่งุระที่หนึ่งก็คือคันถะธุระธุระที่สองก็คือวิปัสสนาธุระคันธะธุระก็คือการศึกษาและทำคาสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาจากครูบาอาจารย์ศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาจากการฟังเทศฟังธรรมในวันธรรมสวรรเช่นวันนี้ <Yeah. S 1> เมื่อศึกษาแล้ว <Yeah. S 1> ก็นำเอาไปปฏิบัติ <Yeah. S 1> ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาธุระ <Yeah. S 1> ไปทำให้รู้แจ้งเห็นจริงตอนนี้ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่เห็นของจริงเหมือนกับ ตอนนี้เราได้ยินว่าที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นั่นเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่ได้ไปถึงที่นั่นเราก็ยังไม่เห็นจริงยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังหรือไม่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วว่าการหลุดพ้นนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้การไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องออกเดินทางเราก็ต้องเริ่มปฏิบัต แล้วก็ต้องบริจาคเสียสละทำบุญให้ทานให้มากหรือให้มากที่สุดเลยแล้วก็ออกบวชแล้วก็ไปรักษาศีลแล้วก็ไปเจริญสมถะทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาพอทาได้อย่างนี้แล้วความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเกิดขึ้นตามมานี่เรียกว่าวิปัสสนาธุระการทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา ด้วยทานศีลภาวนานี้เองเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไปถึงพระนิพพานสถานที่ที่มีแต่ปรลมสุขปรมังสุขขันนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ถ้าเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเราและมีผู้คนหลาย หลากหลายมากมายที่เป็นเหมือนเราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงแล้วที่เรากลาบไหวเป็นพระสังฆลักตณะนี้เองพระสังฆลักตณะนี้ก็ไม่ได้มาจากใครก็มาจากกุตุชนอย่างพวกเรานี่เองที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติ จนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานี้เองกลายเป็นพระรัตนะสังขรัตนะให้พวกเรากราบว่าบูชาจนถึงทุกวันนี้พวกเราก็สามารถเป็นสังคารัตนะได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ของเราทั้งสองส่วนนี้คือคันถีทุระและวิปัสสนาทุระให้สมบูรณ์เท่านั้นเอง จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการประพฤติต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติภารกิจนุทุระสองทุระนี้ให้อย่างเต็มที่แล้วอนิสงส์อันเดียร์เลิศทั้งหลายก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา